เมาคลีลูกหมาป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ป่าแอฟริกันมีสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกฎเดียวกันของป่าไม่ไกลจากป่ามีเผ่าของมนุษย์อาศัยอยู่คือหนึ่งเจอร้ายแห่งป่าเชียร์ขาดตัดสินใจที่จะล่าชาวบ้านเพื่ออาหารเขาโจมตีหมู่บ้านด้วยเสียงคำรามดัง ทับกีหมานหนที่เป็นสหายเขาเชียคาดตัดสินใจตามเขาไปในขณะที่กำลังจับมนุษย์เชียคานก็กระโดดขึ้นไปบนดอกไม้สีแดงแล้วก็คำรามให้ดังที่สุดรักชาก็กำลังดูอยู่จากการนั่งนอกถ้ำกับลูกๆของเธอเสือขี้เกลาดและคนอ่อนแออย่างมนุษย์ยังไงมันก็เป็นเสือที่น่าละอายเราจะหวังให้มันลากวางได้อย่างไงดูเหมือนว่ามันทาไม่ได้หรอกนะ เสียงคำรามหยุดลงและอีกครั้งที่ป่ากลับมาเงียบในขณะที่หมาป่ากำลังคุยกันพวกเขาเห็นพุ่มไม้ขยับพ่อหมาป่าก็เลยไปทำตำแหน่งเตรียมโจมตีลูกมนุษย์เด็กทารกหนีมาจากหมู่บ้านแล้วก็คลานเข้ามาในถ้าหมาป่าฉันจะดูแลเขาเองเลี้ยงเขาเหมือนลูกของฉันฉันจะตั้งชื่อเขาว่าเมาคลี แต่ฉันไม่คิดว่าทางฝูงจะยอมรับลูกมนุษย์ได้ไว้ดู ก, ก่อนฉัน จ, จัดการเองถ้าเมื่อกี้แอบอยู่หลังถ้าเขาไปบอกเชคคารเรื่องลูกหมาป่าอืมเชคคารไปถึงที่ถ้าทันทีไอ้ลูกมนุษย์นั้นคือเหยื่อข้าส่งมันมาให้ข้าไปกไกลๆไอ้ขี้คลาดเขาคือลูกฉัน เรียกล้ามาแตะต้องเขาเชียคารที่บาดเจ็บจากไฟไหม้ออกไปจากที่นั่นหลังจากที่เห็นรัชชากโกรธวันหนึ่งไอเด็กนี่จะต้องถูกฉันตบและขยำวันถัดมาพวกเขาพาเมาคลีไปแนะนำให้ฝูงรู้จักหลังจากที่ยินเทียกันอยู่นานและบากีร่าก็อนุญาต <c oughs> ทั้งฝูงก็ยอมรับเมาคลีบากิร่กับบาลูจะสอนกฎของป่าเขารู้ เขาจะต้องกลับเผ่าตอนเขาโตมัคลีโตขึ้นในป่าอยู่อาศัยแบบชาวป่าบาลูสอนเขาถึงตำแหน่งแห่งป่าทุกอย่างเขาสอนมาคคีให้พูดภาษาสัตว์เขายังสอนให้ทำในสิ่งโปรดของเขาก็คือการเก็บน้ําผึ้งและจับปลาโอ้ มคิรสอนเขาถึงเรื่องการป้องกันตัวและเขาก็ถูกเลี้ยงมาด้วยมนุษย์เหมือนกันเขาเลยสั่งสอนให้มาคลีเข้าถึงความมีมนุษยธรรมของเขาและสั่งให้มาคลีรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในเผ่าแต่ไม่นานมาคลีก็รักป่าของเขามากขึ้นเขาเป็นเที่ยวรักของพี่น้องหมาป่าและไม่นานเขาก็เป็นเพื่อนกับสัตว์ทุกตัวในป่าเมื่อเวลาผ่านไปเป็นปี อาคิล่าและฝูงหมาป่าก็ไม่สามารถล่าสัตว์หา ก, กินได้เหมือนเมื่อก่อนเชคาดเลยตัดสินใจจะใช้โอกาสนี้ที่เธออ่อนแอจัดการไอหมาป่าอ่อนได้เวลาที่แกจะออกจากฝูงทอดอาคิล่าออกจากตำแหน่งตรงไอลูกมนุษย์มาไม่งั้นฉันจะลา่าในถินแกไปตลอดแล้วไม่แบ่งอาหารให้พวกแกกินหมาป่ายาวบอกอคิลาว่าให้ออกจากตำแหน่ง ไอ้ขี้ขาดเจ้าขี้ขาดที่ส่งเม้าคลีให้เชียคารเจ้าจะยอมลงจากตำแหน่งถ้าแกปล่อยเม้าขีเท่านั้นบาคิร่าได้ยินเข้าเม้าคลีได้เวลาที่เชียคารจะต้องรับรู้บทเรียนเราต้องสู้แล้วแต่ผมจะตู้กับเขาคนเดียวได้อย่างไงทั้งฝูงเป็นของเชียคารหมดแล้วเจ้าไปที่ถิ่นมนุษย์แล้วเอาดอกไม้สีแดงมา ดอกไม้สีแดงจะทำให้พวกมันกลัวผมไปจากป่าตอนนี้กลับไปอยู่กับคนของผมดีกว่าโมคลีกอดบาคิราและบาลูและร้องไห้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาไม่นานโมคลีก็นอนบนท้องของบาลู oh. พวกเขานอนกันบนต้นไม้ oh. ตอนนั้น oh. เหล่าลิงขโมยมาขโมยโมคลีไปลักพาตัวไป oh. Oh. ลิงพวกนี้เป็นสัตว์บ้าที่สุดในป่า oh. Oh. ที่ไม่อยู่ตามกฎ เมื่อบารูกับบาคิราตื่นพวกเขา um คิดว่าเมาคลีจะต้องออกจากป่าไปแล้วไปที่ห uh, มู่บ้านเมาคลีถูกอุ้มผ่านป่าโดยฝูงลิงไม่นานเขาก็เจอเข้ากับชิวนกที่ยวรอดอยู่ตรงนั้นเมาคลีคุยกับเขาเป็นภาษานกเพื่อที่จะให้เขาไปบอกบาลูกับบาคิราว่าลิงพาเขาไปเนี่ยฮบปากเลย ย่ามาเจ้าเล่นะเราจะเรียนเสียงพวกนี้จากเจ้าเราจะได้ครองป่าถ้าเราควบคุมตัดทุกชนิดได้ฮ่าฮชิวมาบอกบาลูกับมากีร่าว่ามาคลีถูกลักพาตัวพวกมันขงังมอคคีไว้ที่โคเลมันคือเมืองที่ถูกลืมในป่าลิงพวกนั้นเจ้าเล่และฉลาดมากเราทุกพวกมันด้วยจำนวนแค่นี้ไม่ได้เราจะต้องบอกให้ขามาช่วย พวกเขาพูดขอให้คางูใหญ่มาช่วยพวกเขาพวกเขาไปที่ซากเมืองกันเหล่าลิงเอามาคลีไปซ่อนไว้ที่โดมยักษ์บากิร่าเข้าไปในซากปรักหักพังเขากัดและสวบัดเหล่าลิงให้กระจายแต่พวกลิงมากเกินไปจนเขารับไม่ไหวไปลบในแอ่งน้ำ ถ้าจะจัดการไอ้สัสสตว์เสียสติพวกนี้เองบาลูเริ่มจับลิงเคลี่ยนทุบไปมาแต่ไม่นานเขาก็รับจำนวนลิงไม่ไหวลิงทั้งหมดนั่งบนทอของเขาแล้วเริ่มทุบเขาข่ายก็ปรากฏตัวและทำเกียงขู่ฟอลิงทุกตัวกลัวแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ป่น ข้าเข้าไปในโดมที่ชิโมคลีถูกขังและปล่อยเขาโอ้ว้าวว้าวเป็นเนื้อที่อร่อยจริงๆนะเธอไม่นะคะอย่ายุ่งกับเด็กนะข้าปล่อยตัวเมาครีและหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเต้นลำมันสะกดจิตเหล่าลิงได้และเธอก็พาพวกลิงกลับไปผมว่าป่านนี้ไม่ใช่ที่ของผมแล้วล่ะอีกไม่นานผมคงต้องไปแล้ว เมอร์ีบอกลาบากิร่าและบาลูและกลับเข้าหมู่บ้านไปชาวบ้านต่างกลัวเมอร์คีในตอนแรกเด็กนี่มาจากป่ามันอาจจะปลอมตัวมามันสาบเราได้หรือเปล่านี่ถ้าดูไรเดยงสาจะตายทำไมต้องคิดไปเองมันนี้หนูน้อยไม่อยู่กับฉันไม่นานเมอร์ีก็ชินกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านเขาเรียนรู้ภาษามนุษย์ พวกนั้นให้งานมอคลีดูแลปศุสัตว์เพื่อนของเขาบากิร่ากับบาลูเคยนัดเจอกับเขาบ่อยๆที่ภูเขาแต่วันหนึง่งพี่หมาป่าเท่าของเขาม่เจอเขา้าฝูงเรากำลังแย่เชียรคานขฆ่าหมาป่าไปทีละตัวแล้วนายตัดสินใจตรงตัวฉันให้เชียคานแล้วทำไมฉันจะต้องไปช่วยด้วยเราไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่แม่เราเลี้ยงเรา ม, ามือกับญาติพี่น้องเราจะต้องแก้แค้น อะไรนะแม่แม่เราแม่ตายตอนที่ต่อสู้กับเชียคารมันไปที่ถ้าถามหาตัวนายแต่แม่ของเราไม่ยอมปลี่ปากเลยพอกันทีฉันจะไม่ยอมเชียคารอีกแล้วมลคลีพาวัวของเขาไปที่หุบเขาที่เชียคาร์ต้อนตัวเขาขี่หลังควายหนึ่งตัวเมื่อพวกเขาไปถึงหุบเขาอะคิลาหัวหน้าที่แท้จริงของฝูงก็มาสมทบ นายอวัวไปอีกทิศนึงนะฉันจะพาพวกมันไปจากตรงนี้เชียร์คารจะได้ติดกับตามแผนพวกเขาให้วัววิ่งไปทางที่เชียทานอยู่ทั้ง6ูเขาเริ่มสั่สะเทือนด้วยเสียงกระทืบของเท้าวัวเชียร์คานได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกมันเลยบอกหาทางซ้ายขวาเพื่อที่จะหนีแต่ผนังภูเขามันชันเกินไปเขาไม่มีทางหนีได้เหล่าวัววิ่งด้วยความพิชเกินวิ่ง เยียกระทืบเชียคาร์พระทิงขีเชียคานลงบอกโลดควายวิ่งเหยียบเขาเขาไม่จําเป็นต้องหนีแล้วมันจบแล้วเชียคาร์ศัตรูของหมู่บ้านกับป่าได้ตายลงแล้วเออเย้เย้ฮ่าฮเมอคลีถลกหนังเชียคานแล้วไปที่เดินหมาป่า หลังจากที่ได้เห็นหนังของเชคารบนไหลของเมาคลีหมาป่าทุกตัวหอนฉลองชัยอคิลาได้กลับมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านและเมาคลีก็กลับไปที่หมู่บ้านหลังจากนั้นเมาคลีเขารู้ว่าเมตัวคือแม่ทแท้ๆของเขาประชากรป่าและหมู่บ้านอาศัยอยู่ร่วมกันยังมีความสุข